อ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغناه ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي ه د ه الله فلا مدلله وما يدلله فلا هادي لعماه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับในคําพูดที่ประเสริฐที่สุดในโลกนั้นก็คือคําพูดของพระองค์ละ คำพีของพระองค์ก็คือคัมภีร์อัลกุรอานเรายังคงอยู่ในส่วนของสุรอะเลย์ลู่นะครับซึ่งเป็นสุรอะที่92นะครับซึ่งมีอญญายะทั้งหมด21อ็ญญายะครับพี่นทั้งที่รักยิงครับความเดิมในครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้คุยกันแล้วในส่วนของความหมายของอะเลยแล้วเราก็ได้พูดในเรื่องของว่าเวลายามค่ําคืนของมุสลิมเนี่ยแตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างไรบ้าง นในเรื่องของการทําอิบาระต่างๆการละหมาดต่างๆแล้วก็เป็นจุดยืนในการเป็นมิสซิมของเราแล้วก็เราไปพูดถึงความสําคัญของการละหมาดยามค่ําคืนโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดวิเตสที่ว่าไม่อยากจะให้ได้พลาดกันเลยนะครับซึ่งก็เชายร์เชียร์ลครับผมก็หวังว่าผู้ที่เข้าร่วมนะครับหลายท่านก็น่าจะเริ่มที่จะฟิตเรื่องของละหมาดวิเตสและินชายร์เชียร์ส่วนท่านใดที่ทําดีแล้วก็อทำดีแล้ ว, ลวขอให้จิตนาให้ดีนะครับเพื่อให้รัพอใจเราพอใจเร า, พพรเราแล้วก็สําหรับท่านที่ยังทําไม่ได้ก็ขอให้ พวงละล้อให้ความง่ายดายในการที่พวกเราจะทำตัวเป็นเบาให้พวงละล้อรักครับผมในส่วนของสุรอะเลยลูนะครับผมมีทั้งหมด21อายะด้วยกันเดี๋ยวขออ่านแล้วก็ขอแปลคร่าวๆทั้งหมดก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเ ข, ข้าไปทีละอายะทีละอายะเนาะครับอินชาอัลล์ครับผมบิสมิลลาฮิร r a h m a n i รา a h i m w l l i i a r وما خلق الذكر والأنثى إن ساعيكم ل ش ّ ى فأما من أعطى وتقا ا وصدق بالحسن فسنيسره ل ل ع س ر ا وأما من ب َ خ ل واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعصرا ว่ามาโยนีอันหูมาลูหูอิเดอเอาถึงแค่าอาย่านี้ก่อนเพราะคิดว่าวันนี้เราน่าจะพูดถึงประมาณนี้ชาวล้อขอดูความหมายกันก่อนนะครับผมความหมายนะครับผมจะใช้จากหนังสืออัลกุรอานแปลไทยเข้าใจง่ายนะครับผมซึ่งหาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของอาจารย์สาธนะครับผมดาศีเว็บดาศี dot com นะครับผมวันไล ล, ลีดายักษามีความหมายว่าขอสาบานต่อเวลากลางคืนเมื่อมัน กำลังเข้ามาปกคุมวันอะดีนยากช่เมื่อมันกำลังเข้ามาปกคุมวันะฮารีอะแต่จะล่ะล้วขอสาบานต่อเวลากลางวันเมื่อมันสว่างแล้วว่ามาคาร์ละกะละวันอุ่นเะแล้วขอสาบานต่ออันนี้ไปได้สองอย่างนะครับไปได้อย่างแรกก็คือขอสาบานต่อผู้ที่สร้างเพศชายและเพศหญิงหรือขอสาบานต่อเพศชายและเพศหญิงทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เราเพิ่งเรา ส, สร้างมาไปได้ทั้งกู้นะครับผม อินัสายกุมและชัดต่แน่นอนการดำเนินชีวิตของพวกเจ้านั้นล้วนหลากหลายหลากหลายยังไงบ้างประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับฟะอ ม, มามันอตวตตอวัตตโกผู้ใดก็ตามที่เขาใช้จ่ายแล้วก็มีความยำเกรงในการใช้จ่ายคือในการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตานั้นเขามีความระลึกถึงพวงล้อมีความกลัวมีความรักแล้มีความหวังต่อพระองค์พวงล้อกล่าวคําว่วาผู้ใดก็ตามที่ใช้จ่ายแล้วก็ยำเกรงต่อพระองค์ และมีความศักดิ์จริงที่ดีงามความศักดิ์ในการเป็นมุสลิมจริงๆคืออยากเป็นมุสลิมเพื่อให้อลรักอย่างแท้จริงคือรู้ว่าการเป็นมุสลิมคืออะไรแล้วก็พยายามทําตนตาม น, นั้นเพราะเขาเขาว่าไงครับเฟเซหนุยซิรูฮุลยุสรเราจะให้เขาได้รับความง่ายดายแบบง่ายๆเลยเราจะให้เขาได้รับความง่ายดายแบบง่ายๆ ว่าอามามัมเบลคิลาเวสต์ดะในขณะที่ผู้ที่ตระหนี่แล้วคิดว่าตนสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครว่ากลเดอบาบิลฮุสนาอีกทั้งยังปฏิเสธสิ่งที่ดีงามก็คืออะไรที่เป็นเรื่องที่ดีงามศัตธรรมต่างๆเฟอซานุยาซิรูฮูลิลสโตรเราจะให้เขาได้รับความยากลําบากอย่างง่ายดายเมื่อกี้คือได้รับความง่ายดายอย่างง่ายดายอันนี้รับความยากลําบากอย่างง่ายดาย หัวแมยุคนีอันหูมาลูฮูยะตอรัตเดอซึ่งทรัพย์สินของเขานั้นมันไม่เอื้อประโยชน์อันใดแก่เขาเลยเมื่อเขาได้กลายเป็นเท่าทุดีไปแล้วก็คือเมื่อเขาได้เสียชีวิตแล้วก็ต้องพบกับสิ่งที่พ่อละตเตรียมไว้ให้กับเขาครับอันนี้คือความหมายเรามาทําความเข้าใจทีละอายะทีละอายะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือคําพิย้ยลกระานคําพูดเขาพวกอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมเรารู้ดีว่าคือมุจจิษัตมุจจิษัทก็คือสิ่งที่ เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะสามารถแต่งเรียนแบบได้แล้วก็เป็นเรื่องยากมากที่ว่าเราจะทําความเข้าใจในทุกมุมทุกประเด็นของคัมภีอัลกุรอานได้เป็นเรื่องที่ยากครับต้องทุ่มต่อให้ทุ่มชีวิตตลอดทั้งชีวิตของเรามันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะสามารถเข้าใจอกุรอานได้ในทุกมิตินี่คือความลึกซึ้งของอัลกุรอานเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับในบางส่วนครับผมเพื่อที่พี่น้องจะได้ได้รับสาร ะ, ะสูงสุดอินชาลลอร์ครับเท่าที่ผมจะมีความสามารถ อายาแร ก, พกเพราะว่าเลสองกล่าวว่าไงนะครับวันเลยนี้อิรยาตแาขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันกําลังเข้าเข้ามากําลังคืบขานเข้ามาเราคุยไปแล้วสตอนในเรื่องของการคืนอันนี้ก็จะขอพูดอีกเล็กน้อยในส่วนของตอนกลางคืนเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องกับอายาที่2ที่พูดถึงช่วงของตอนกลางวันเพราะเราได้ทรงสาบานต่อตอนกลางคืนซึ่งถ้าเราดูใน al อัลกุรอานนะครับการสาบานในเวลาค่ําคืนเนี่ยจะมีไม่น้อยกว่าเจ็ดที่ด้วยกัน ไม่น้อยกับเจ็ดที่ดวยวกันพี่น้องพอจะคิดออกตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับเรามาทวนกันนะครับถ้าเรียงตามลำดับนะครับผมจะมีว่ไลลีอิดาอับวันไลลีอิดาอัอัวันไลลีวะมาวะักวันไลลีอิดายัวัไลลีอิดายักอันนี้คือก่อนสุรานี้เรายังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็วันไลลีอิดายักชาตอ น, นี้ที่เรากาลังคุยกันแล้วก็อันที่7ก็คือวันไลลีอ ja ิดาจาก็คือหลังจากที่คุยวัดด uh ูฮาก่อนวัไลลีาจาครับพี่น้องที่ลกิ้งครับในที่นี้ มีถึงการสาบานอย่างน้อย7รูปแบบที่เกี่ยวกับยามค่ําคืนซึ่งแต่ละอย่างนั้นมีรละเอียดที่แตกต่างกันถ้าพี่น้องยังจํากันได้นะครับครั้งที่ครั้งก่อนนู้นเลยนะครับผมที่ว่าเราพูดในส่วนของสโลวัตุฮาที่เราพูดคุยในส่วนของสโลวัตุฮาเราจะพบว่าการสาบานของพระเจ้านั้นพระเจ้าเริ่มด้วยกับกลางวันก่อนกลางคืนวัตุฮาวันไล ล, ลีอีซาเจอเอายามกลางวันก่อน แต่ในสุวนนี้ครับพวกเราเลาใช่ไหมครับว่าเริ่มจากยามค่ำคืนก่อนวันไลลี่อิยายักชาแล้วก็ถึงจะมาเป็นวันนาฮาริอิยาตอร์ลล์ต้องมีลตาตออิฟครับลตาตออิฟก็หมายถึงความละเอียดอ่อนลตาตออิฟกุรอานความละเอียดอ่อนของอัลกุรอานพวกเราไม่ทําอะไรเลยสาระเลยถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับนักวิชาการนักอถาธิบายกุรอานนะครับพยายามทุ่มเทแล้วก็พยายามทําความเข้าใจว่าทําไมถึงมีการ แตกต่างกันถ้าเราดูนะครับประการแรกนะประการแรกเราดูในส่วนของอัลเลยลู่ในส่วนนี้ที่เรากำลังคุยกันก่อนสองอัยยะแรกอันแรกก็คือวันเ ล, ลยใช่ไหมครับวันเล ล, ยลีายาคเชวันนาฮารีดาตันเลสำหรับท่านที่พอที่ได้ภาษาหลับนะครับเราจะสังเกตว่าอญญายยแรกเนี่ยพวกเราใช้เป็นรูปกริยาปัจจุบันในขณะที่อัยะที่2พวกเราใช้เป็นรูปกริยาอดีตวันเล ล, ยลีายาช ขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันกําลังคืบคลานเข้ามาหลังจากนั้นก็และขอสาบานต่อยามกลางวันเมื่อมันสว่างแล้วเมื่อมันสว่างแล้วสุพานละละละเอียดขนาดนี้ครับมีประเด็นครับว่าทําไมถึงพอเป็นยามค่ําคืนแล้วทําไมถึงต้องเป็นกิริยาที่บอกว่ากําลังเกิดขึ้นพอเป็นยามกลางวันทําไมถึงว่าเกิดขึ้นแล้วก่อนที่เราจะคุยในส่วนนี้นะครับเราย้อนกลับไปในส่วนของสระวัดดูฮากัน วัตถุฮาวัลไลรีราสะจขอสาบานต่อวัตถุฮาก็คือในยามสายใช่ไหมครับว่ลลาไลรีสะจาแล้วก็ขอสาบานต่อยามค่ำคืนตอนไหนครับสะจาสะจาหมายถึงว่าตอนที่มันสงบนิ่งแล้วตอนที่มันสงบนิ่งเรามาดูว่านาักชาการพูดอย่างไรบ้างครับเรามาดูครับอลาฮาเกมครับท่านฮาเก็มนะครับได้ รายงานมานครับจากท่านเจตบิอฑรกอมนะครับท่านได้บอกถึงที่มาที่ไปของสุราวัตถุฮาตอนนี้เราจะย้องกลับไปที่สุรวัตถุฮาก่อนเพราะวัตถุฮาก็พูดถึงยามขําคืนเช่นเดียวกันแต่เป็นยามข้ามคืนเมื่อมันสงบแต่ตอนนี้กลับเป็นยามข้ามคืนที่มันกําลังคืบคลานเข้าหมาเข้ามามันต่างกันอย่างไรครับถ้าเกิดเรากลับไปดูในสุรวัตดุฮาแล้วเราไปดูว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าดูเนื้อหาของสุรวัตดุฮาครับ จะเป็นเนื้อหาสาระที่พวกเราบอกว่าพวกเราไม่ได้ทอดทิ้งท่านอาบีนะยังคงมีศัจรูธรรมมหาท่านอาบีอยู่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นครับหลังจากที่พวกเราได้ไปทานสุระละหับหลังจากที่พวกเราได้ไปทานสุระละฮับตาบเจเดอเบีละฮับิวาตาบหลังจากที่ว่าท่านอาบีเริ่มทําการเปิดเผยชาวกุริางชัดเจน แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยถูกพวกเล้อแต่งตั้งมาอย่างที่พวกเราทราบกันครับอบูละครับชี้หน้าด่านาบีเลยแล้วบอกว่าแค่นี้เหรอเรื่องแค่นี้เหรอที่ว่าพวกเจ้าต้องมารวมกันเอาพวกเรามารวมตัวกันขอให้พวกขอให้เจ้าพบกับความหายนะอันนี้ก็คือลุงนบีด่านาบีเลยสาบแช่งนบีอีกต่างหาก <S <S พวกล้อก็ได้ประทานยักกุรานมาครับว่าความหายนะนั้นเกิดขึ้นกับอบูละคับต่างหาก <S <S มือทั้งสองของเขาแล้วก็พูดถึงคู่คร อ, อ, องของเขารวมไปถึงว่าคู่ครองนั้นจะต้องแบกบ เชื้อเพลิงเพื่อที่ไปเผาสามีของตนแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำร้ายตนเองแล้วก็ในคอของนางนั้นจะมีใยน้าำาลามที่ถักอยู่ประเด็นคืออะไรครับพี่น้องประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่ออายักุร่านี้ประทานลงมาก็มีคนไปบอกให้กับภรรยาของอบูละฮับสียครับผมอุมูจามีนีะนะครับไปบอกว่านี่ไงเนี่ยมุฮัมมัดสุลตานอิสลามได้บอกว่าพระเจ้าได้ประทานคัมภีมาแล้วก็สาปแช่งเธอตัวภรรยาของ อบูล้วับเมื่อได้ยินก็โกรธนบีครับแล้วก็เลยมาหานบีแล้วก็มาด่าว่าท่านนบีด่าว่าท่านศาสาว่าเนี่ยเธอเห็นฉันกับตาหรือว่าฉันแอบถูกลงโทษในไฟนรกทําไมเธอต้องมาสาบแช่งจะด้วยท่านนบีอัลสลามก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนสาบแช่งเพราะท่านนบีไม่ใช่คนที่สาบแช่งใครท่านนบีไม่ใช่คนที่ด่าว่าใครท่านนบีบอกว่าแต่พวกอัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ที่ประทานมาพวกอัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นผู้ประทานแล้วพระอัลลอฮ์ ตางหากที่เป็นผู้ที่บอกว่านี่คือสิ่งที่เธอจะต้องเจอและสามีของเธอถ้าเธอไม่เตาบ้าซึ่งก็แน่นอนที่เราทราบก็คือผลสุดก็ไม่ได้เตาบ้ากันหลังจากที่พูดอย่างนี้ครับภรรยาของบัวทับก็โกรธแล้วก็บอกว่าถ้ า, างั้นมีายากุรานมาอีกหรือปเปล่าล่ะเพราะว่าหลังจากนั้นายากุรานได้หายไปช่วงหนึ่งท่านอบีเก็เริ่มรอนรุ่มว่าอายากุรานทําไมถึงหายไปทําไมถึงขาดตอนไปภรรยาของบัวทับก็มา ด่าว่านาบีตลอดมาเสียดสีตลอดว่าไหนเรามีอะ ก, กุรานไม่เห็นมีเลยทําไมไม่เห็นมีซึ่งผลสลายพวกเราก็ประทานสุ่เราวัดตุฮามาขอสาบานต่อยามสายแล้วก็ขอสาบานต่อยามค่ําคืนที่มันสงบเปรียบเทียบยามค่ําคืนที่สงบเหมือนกับช่วงที่ว่าอยะ ก, กุรานไม่ได้ถูกประทานมาคือเงียบสงบสัดคล้องกันไหมครับที่มาที่ไปวัตตุฮามาทไมถึงเริ่มที่อยากตอนกลางวันล่ะ แสงสว่างยามกลางวันก็เหมือนกับมันก็คือรัศมีถูกไหมครับซึ่งรัศมีก็ถูกเปรียบเทียบกับทางนําของโพลาร์ในซูรักษ์ก่อนหน้านี้จึงเริ่มด้วยกับวัต ด, ดูฮาวันลอฮูตาละอาลัมโพลาร์ทันทีรู้แต่นี่คือประเด็นที่นักวิชาการพยายามทําความเข้าใจและสรุปมาบอกเราอีกทีหนึงก็คือว่าน่าจะเป็นความเกี่ยวเนื่องกันก็คือในซูรัวัดดุฮาวันถูกประทานลงมาหลังจากที่ว่าองค์การขาดหายไปช่วงหนึ่ง แล้วก็เริ่มด้วยกับตอนกลางวันหลังจากนั้นก็ต่อด้วยกับยามค่ําคืนที่มันสงบเปรียบเทียบกับตอนที่ช่วงอัลกุรนนั้นหายไปแล้วพอเราแก้พูดถึงการปอบประโลม ว, ว่าพวกเราไม่ได้ทอดทิ้งท่านอาบีไม่ได้ลงลืมท่านอบีไปซึ่งก็วัดเราตาละอาลัมนั่นก็คือความหมายในส่วนของวันไล ล, ลีอีดาาาัชแจขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันสงบเรากลับมาดูในสระนี้ของเรากันครับผมในสระนี้พูดถึงอะไรนะครับวันไล ล, ลีอีเะยาแฉขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันกําลังมา ในที่ใช้คำ ว, ว่าเมื่อมันกําลังมาปกคุมถ้าเราดูนะครับความหมายที่ผมพูดไปแล้วก็คือในซูร้อนนี้พวกเราพูดถึงการงานของมนุษย์ที่มีอยู่มากมายแล้วก็ได้พูดว่าผลสุดท้ายแล้วการงานของมนุษย์ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มแค่นั้นแหละไม่เป็นการงานที่ดีก็การงานที่ที่ไม่ดีที่พวกเราไม่ตอบรับเมื่อเรามาดูครับเ mm hmm. มกเซ่ Excel เลยก็คือว่าไลลี่อิยาคชาเริ่มด้วยกับยามค่ําคืนก่อนเพราะอะไรเพราะ ยามค่ําคืนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ผมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเมื่อครั้งที่พุกอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮามฺต์ราสร้างสรรพสิ่งสร้างฟากฟ้าสร้างอะไรก็ตามนะครับผมทุกอย่างนั้นอยู่ในความมืดมิดมา ก, ก่อนหลังจากนั้นพุกอัลลอฮฺก็ได้สร้างดวงอาทิตย์แล้วก็สร้างดวงดาวสร้างอะไรต่างๆเลนะก็แปลว่าจุดเริ่มต้นของ จั ก, การวาลทั้งหมดนั้นเริ่มมาจากยามค่ําคืนก่อนยามกลางวันแล้ในทีนี้พวกเราก็พูดถึงจุดเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาจากยามค่ําคืนเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับมุสลิมเราเวลาเรานับวันเรานับว่าวันใหม่เริ่มเมื่อไหร่นะครับเริ่มเมื่อตอนกลางคืนมาเพราะเราถือว่ากลางคืนนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของวันวันใหม่หลังมกริบจึงเป็นวันใหม่สําหรับมุสลิมอันนี้ก็เป็นความรู้เสริมที่ว่าอยากจะขอขยายนะครับผม ทีนี้ครับเมื่อพูดถึงว่ายามค่ําคืนมาก่อนในซูระอนนี้เราจะพบว่าพวงละล้อได้สาบานสิ่งที่ว่าคู่กันตรงกันข้ามกันในขณะเดียวกันก็อยู่คู่กันพวงละล้อตอนแรกสาบานด้วยกับอะไรนะครับขอสาบานด้วยกับยามค่ําคืนเมื่อมันกําลังมาปกคลุมแล้วขอสาบานต่อยามกลางวันเมื่อมันสว่างจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ขอสาบานด้วยกับพับพวงละล้อผู้ที่สร้างทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงสิ่งที่คู่กัน ตรงข้ามกันแล้วก็มักจะอยู่ด้วยกันแล้วพวงละก็พูดต่อครับหลังจากนั้นถึงสิ่งที่พวงสาระที่ต้องการจะให้เราได้ระวังหลังจากที่พวงละได้สาบานแล้วก็คือในเรื่องของการงานของเรานั้นมีความหลากหลายครับนล้วในส่วนของอายะห์ที่หนึ่งก็คือว่าเลยลีอีซะยักษ์ชาขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันค่อยค่อมาปกคลุมทีนี้มาถึงประเด็นต่อมาครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าทําไมใน สุร้นี้อายะแรกเมื่อพูดถึงยามค่ําคืนใช้ในรูปของกิริยาหมูดอแร้ก็คือกิริยาที่ว่ากําลังคืบคลานเข้ามาแต่เมื่อพูดถึงยามกลางวันนั้นพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือเป็นกิริยาดีขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันกําลังคืบคลานเข้ามาแล้วขอสาบานต่อยามกลางวันเมื่อมันสว่างจ้าแล้วเมื่อมันสว่างจ้าแล้ววุฒเล่าจาลาอาลลัมครับเพราะว่าในประเด็นนี้ครับในยามค่ําคืนถึงการที่มันค่อยๆคืบ กานเข้ามาในยามค่ำคืนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบถึงทางเดินของมนุษย์ซึ่งก็คือเป็นทางเดินที่ว่าเราค่อยๆเลือกทางเดินของเราว่าเราจะทําสิ่งที่ดีหรือเราจะทําสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่ า, าต้องค่อยๆก่อร่างสร้างขึ้นมาในขณะที่ว่าเมื่อพูดถึงยามกลางวานันครับยามกลางวานันอย่างที่บอกก็คือรัศมีนั้นถูกเปรียบเทียบกับศัตรธรรมของพวกอร์เพราะนั่นเสรีธรรมของพวกลอร์ดนัน้นชัดเจนมาอย่างชัดเจนแล้ว ก็คือคุณจะไปเลือกเอาความมืดมิดที่ว่าคุณต้องไปงมหาคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าจะเลือกสัจธรรมที่มันชัดเจนที่พล้อเตรียมมาให้อยู่แล้วอันนี้ก็วัดลองแตาาล่ละอะลำนะครับผมก็เป็นเพียงทัศนคของรัชาการที่ว่าท่านพยายามทุ่มเทให้กับอัลกุรอานแล้วก็ท่านพบมันเป็นประเด็นแล้วท่านพยายามหาคําตอบอันนี้ก็โพล้าทัานทีที่รู้ครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดแต่ที่แน่นอนก็คือว่าทั้งยามกลางวันแล้วยาม กลางคืนนั้นมันก็ค่อยๆมาเหมือนเหมือนกันค่อยๆมาเหมือนเหมืๆกันแต่ว่ายามกลางคืนนั้นมาก่อนแล้วก็ยามกลางวันนั้นมาทีหลังแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนถ้าเรามาดูครับก็คือมันก็ล้วนเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งสิ้นมันก็คือช่วงระยะเวลาที่เรานั้นอาศัยอยู่ในดุลยาถูกไหมครับหรือในดุลยยาก็คือไม่กลางวันก็กลางคืนมันก็มีแค่นั้น ในย่าที่3ครับวงล้อ ด, ด้วยกันกนวครับบัวมาคลแล้วก็ดะกอละวันอุนเสอย่างที่บอกก็คือในย่านี้แปลได้อย่างน้อย2ออย่างด้วยกันก็คือสามารถแปลได้ว่าและขอสาบานต่อผู้ที่สร้างทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเวลาคือช่วงที่เราอยู่ในดุนยาที่เราอยู่ในห้องสอบส่วนเพศทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงก็คือคนที่ถูกทดสอบมนุษย์ที่ถูกทดสอบ หรือจะแปลแบบที่สองก็คือขอสาบานด้วยกับทั้งเพศ ช, ชายแล้วกัทั้งเพศหญิงครับในที่นี้อาจจะมีกิรอาชาสัสกิรอาที่ว่าแตกต่างไปซึ่งไม่ขอพูดถึงในที่นี้นะครับผมหลังจากจบไปแล้วสามอายะครับวันเลลีดายักษ์วันนาฮาลีดาเตจเลวะวามาคอล้วก็ละกาลาวันอุนซสหลังจากที่มีการสาบานอย่างที่พวกเราพูดเป็นประจำก็คือในอัลกุรอในสุร์ต่างๆในอัลกุรอานนั้นเมื่อมีการสาบานจะต้องมี ประเด็นที่ว่าอยากจะมีการหยบหยิบยกเข้ามาพูดถึงประเด็นที่ว่าเกี่ยวพันกับการสาบานนะั้นทําไมถึงสาบานกับเรื่องเหล่านี้แหละพงศเราเลกลวว่าไงครับอินซายะกุมลาชตในภาษาหลับเรีกว่าเป็นเชวาเลี่ยนรอกก็สัมเป็นคําตอบสําหรับการสาบานว่าสาบานทําไมนี่คือคําตอบพงศเราบอกว่าไงครับอินซายะกุมลาชเตไม่ว่าจะเป็นยามกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันไม่ว่าพวกคุณจะเป็นเพศหญิงหรือว่าพวกคุณจะเป็นเพศชายไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามการงานของพวกคุณนั้นที่คุณอยู่ในดุนยานั้นล้วนหลากหลายบางคนก็ประกอบอาชีพบางคนก็ศึกษาบางคนก็พยายามทำงานบางคนก็พยายามทาอะไรก็ตามแต่อาจจะพักผ่อนอาจจะเล่นอาจจะไร่สาระอาจจะอะไรก็ตามแต่ตนิ่เสยะคุมและชัตาการงานความการขนขวายของพวกเจ้านั้นนะ มันมีความหลากหลายพี่น้องครับตรงนี้มีประเด็นน่าสนใจครับซะยุนอินสะยาคุณเนชเตอร์ในแอคุล่าเนี่ยเพราะเรียกครัว่าซะยุนก็คือความเพียรพยายามของพวกเจ้าความเพียรพยายามของพวกเจ้านั้นหลากหลายน่าสนใจตรงไหนครับ น่าสนใจตรงที่ว่าในโลกดุนยาเนี่ยครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าเราขับเคลื่อนด้วยกับความปรารถนาและก็ความต้องการของเราถูกไหมครับอย่างเวลาเราไปหาอะไรกินก็เพราะว่าเราหิวหรือเพราะว่าเราอยากเวลาเราน อ, นอนก็เพราะว่าเราง่วงเวลาเราเรียนเพราะว่าอาจจะถูกบังคับหรือเพราะเราอยากจะได้ความรู้คือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าต้องมีแรงผลักดันแล้วอะไรก็ตามแต่ที่เราทําเนี่ย คุณภาพของมันจะมีความปรานีดแค่ไหนขึ้นอยู่กับแรงผลักดันของเราถูกไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างอย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยวัยรุ่นชอบเล่นเกมมากๆอาจจะเป็นเกมที่ว่าต้องมีการเก็บค่าประสบการณ์ต้องมีการฟาร์มเก็บของเลยเพราบว่าเขานั่งเก็บมันเต็มที่บางทีอยู่กับมันได้เป็น 2- สชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก แล้วเขาก็จะมีความปาณี้ก็จะรู้ว่าอันนี้ฉันได้เรืยองอันนั้นฉันไม่ได้นี่ฉันต้องทําอย่างนั้นฉันต้องทำอย่าง น, น, น, งางนี้จะมีข้อมูลมากมายที่ว่าเขาให้ความสําคัญกับมันสัยากลุ่มนี่แหละคือความเพียรพยายามของพวกเจ้าหรือว่าบางท่านที่ว่าอาจจะอยากจะเป็นเชฟอยากจะทําอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็พยายามศึกษาพยายามค้นคว้าอาจจะเข้าเน็ตอาจจะดู YouTube อาจจะทําอะไรก็ตามแต่นี่คือแรงผลักดันมันมีแรงผลักดันของเราอยู่ประเด็นคําถามที่ผมอยากจะถามให้พวกเราได้ฉุกคิดถามทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่รัก เรามีแรงผลักดันอะไรบ้างในการเป็นมุสลิมเรามีแรงผลักดันอะไรบ้างในการเป็นมุสลิมพี่น้องมีแรงผลักดันอะไรบ้างในการละหมาดพี่น้องลองเปรียบเทียบกับแรงผลักดันที่มีในดุนยาที่ผลักดันให้เราทำอะไรสักอย่างอาจจะทำให้เราขับรถ ไ, ไปเประ้ยวเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปหาร้านอาหารอาร่อยหนึ่งร้านที่เราชอบโดยที่เราไม่ปีปากบน่นเพราะว่าเราอยากจะไปกินมัน หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เราสามารถใช้เวลาได้มากกว่านั้นเพราะเรามีแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันที่มันมากพอและในการเป็นมุสลิมของพวกเราทุกคนล่ะเวลาที่พี่น้องละหมาดเนี่ยพี่น้องมองว่าพี่น้องมีแรงผลักดันที่เข้มขน้ขมขนพอไหมแรงผลักดันที่เข้มข้นแปลว่าอะไรแรงผลักดันที่เข้มข้นหมายความว่าความปรารถนาความต้องการแรงจูงใจที่ทําให้เรานั้นละหมาดอย่างปราณีต เรามีการละหมาดอย่างปาณีตไหมเรามีการทุ่มเทสมาธิกับการละหมาดไหมเหมือนกับที่เราทุ่มเทให้กับการทํางานของเรารู้เปล่าถ้าไม่ใช่นั่นคือซะอยากุมของเรานั่นคือซะยุนของเรานั่นคือความเพียรพยายามของเราบางทีเราอาจจะคิดว่าเราละหมาดเนี่ยเราทําดีแล้วบางทีเราคิดว่าเราจ่ายสกัดเราทําดีแล้วบางทีเราคิดว่าเราถือศีลดเราทําดีแล้วแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับ มันคือความเพียรพยายามของเราด้วยไหมหรือมันเป็นเพียงแค่การที่เราฝืนเรารู้มันต้องทําแล้วเราก็รู้สึกฝืนมาเมื่อไหร่ฉันจะจบเอาวันนี้ฉันอ่านสุราสั้นๆแล้วกันพอจะอ่านสุรายาวๆปุ๊บบางทีเออฉันไม่ไหวฉันเหนื่อยมันเกิดอะไรครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับพี่น้องครับพี่น้องดูนะครับอีบาร์ด้าที่ถดถอยหรือว่าอี บ, อบาร์ด้าที่ตกต่ําของเราแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่น้อยของเรา ถูกไหมครับถ้ามีแรงจูงใจแครก็ทําดีอย่างพี่น้องยกตัวอย่างเลยนะถ้าเกิดว่าพี่น้องมีลูกมีหลานยังไงถ้าพี่น้องบอกเขาว่าว่าลูกนะหลานนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลูกละหมาดอิชาเสียรกะแล้วปานีสุดๆนะเดี๋ยวพ่อจะดูนะปานีสุดๆถ้าทําแล้วมันเนี้ยบสุดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปซื้อของที่เขาอยากได้ถ้าพูดประมาณนี้พี่น้องคิดว่าการละหมาดของลูกหลานเราคนนั้นจะเป็นยังไงครับในเวลานั้นปานีสแน่นอนเพราะเขามีแรง ดันมีแรงจูงใจที่มากพอให้เขาปราณีตในสิ่งที่เขาทำหลายครั้งครับทั้งลูกหลานเราหลัวาทั้งตัวเราเองเราดูง่ายๆครับแต่บางทีเขาทำเหมือนสั่งกระตายทำไมเขาไม่ตั้งใจทำหรือทำไมเราไม่ตั้งใจทำแรงผลักดันมันน้อยไงกำลังใจมันน้อยไง แรงใจน้อยมีผลเยอะนะครับในการทําอิบารัดาทุกอย่างบางคนอาจจะบอกทำไมฉันละหมาดไม่มีสมาธิทำไมฉันนับอิบารัดรู้สึกร้อลุ่มทำไมฉันอ่านาาแล้วกลัวล่และรู้สึกติดถัดติดถัดขาไม่อยากจะรู้สึกให้มันอ่านให้มันดีขึ้นทั้งหมดก็คือเพราะใจเรามันอ่อนแอเพราะแรงผลักดันของเรามันอ่อนแอไงนี่คือประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับฮะดีซ ท, ท่านอับดุลสลัลออเดสลัมพูดไว้ซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านมักจะเาฮะดีซบทนี้มาเป็น ส่วนเริ่มต้นหนังสือของพวกท่านเหล่านั้นก็คืออินละมัลอาแม่ลูบินยักการงานทั้งหมดคุณค่าของมันนั้นอยู่ที่แรงผักดันขออนุญาตแปลให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าแปลว่าเจตนาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกันหรอกบางทีเข้าใจว่าเจตนาคือการที่เราจะเริ่มละหมาดแล้วต้องมานั่งพูดเป็นประโยคว่าฉันขอละหมาดอิชาสีรกักกะเพื่อพระองคเราอันนั้นไม่ใช่แรงผักดันครับพี่น้องอันนั้นไม่ใช่เนียดอันนั้นคือคําพูดที่เราพูดมาซึ่งมันเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จเราก็ไม่รู้ บางทีเราอาจจะโกหกตัวเองว่าเรากำลังละหมาดเพื่อล้อจริงๆก็คือเราแค่อยากให้มันเสร็จๆไปไวๆเราแค่ไม่อยากให้มีใครมาว่าเราหรือเปล่าหรือเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นภาระที่เดือดร้อนเราหรือเปล่าอินเนมัลอาเมลูบิญยาถ้าเราดูในฮะดีษครับที่ทัระบีมัสรรมลลูของอะไลซันได้พูดไว้ว่าการงานทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับแรงผลักดันที่ทําให้เราทําการงานนั้นๆท่านอับดุลบีได้เปรียบเทียบกับการอพยุบ ท่ามีปิติการ อ, อพยพเป็นไงครับเหมือนกับคนที่ว่า อ, อพยพไปเพราะอะไรคือซอร์บ้านในยุคนั้นนะครับที่ อ, อพยพจากนาครมักกะเป็นนคมรมดีน่าก็คือเพราะเขาอยากจะเป็นมุสลิมจริงๆอยู่มักกะน่ะไม่ได้แล้วมีแต่การบีบมีแต่การทำํำลายเขาก็เลยเดินทางไปอีกที่หนึ่งเพื่อที่ว่าเขาจะสามารถเป็นมุสลิมอย่างเต็มที่เพราะพี่น้องมดีน่ะพร้อมต้อนรับเขาชาวอันซอรพร้อมต้อนรับเขาแต่ในกลุ่มนั้นครับมีชายคนหนึ่งที่ว่าวุสลิมว่าราาำครับเขาอาจจะมีเจตนาว่า อยากให้ล้อรักด้วยแต่ว่าแรงผลักดันหลักๆเลยเนี่ยสาวมาดีนะคนนึงบอกเขาว่าถ้าพี่เดินทางไปหาน้องถ้าพี่อพยพไปหาน้องน้องพร้อมจะแต่งงานกับพี่พี่น้องที่รักครับพี่น้องวาดภาพออกไหมล่ะชายคนนั้นเขาก็ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะอพยพถูกไหมครับเขาจะมีแรงใจเขาจะมีกําลังใจที่จะอพยพเพราะอะไรครับเพื่อที่จะได้แต่งงานกับนางอันเป็นที่รักของเขานี่คือแรงผลักดันนี่คือเนี่ย คือต่อให้เขาพูดว่านาวัยตู้ฉันขอเนียดว่าฉันจะทาการอพยพเพื่อพุ่งอว่ะแต่ถามว่าจริงๆแล้วอะไรคือเจตนาหรือแรงผลักดันของเขาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ลึกๆในใจว่าอะไรที่ทำผลักดันเขาให้ทำพฤติกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องของเจตนาเรื่องของเนียดเป็นเรื่องที่ว่าเราอาจจะหลอกคนทั้งโลกได้แล้วบางครั้งเราอาจจะแกล้งหลอกตัวเราเองแต่ขอให้รู้ว่า ไม่มีใครหลอกพว่งล้อได้ไม่มีใครหลอกพุงล้อได้ครับเพราะนั้นอินทร์เนศายคุมลนชัตแการขวนขวายของพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมันมีหลากหลายมากมายเลยบางคนก็ใยดีแต่ทํารูปแบบผิดบางคนกับใยดีทํารูปแบบถูกแต่ว่าเจตนาผิดบางคนอาจจะคิดไม่ดีแต่ว่าเจตนาดีบางคนสารพัดครับที่จะทํากันพวกอรักล่าวไว้ว้างครอบคุมทั้งหมดของมนุษย์โลกในปัจจุบัน การงานทั้งหมดของพวกเจ้านั้นหลากหลายมากมายในยามเช้าในยามกลางคืนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงการงานนั้นมากมายประเด็นที่โพุ่ล้อกล่าวคืออะไรครับประเด็นที่พุ่งอกลก่าวคือหลังจากที่บอกอิน um ma ัสายกุมกับชัตตอร์ฟะมันอัตโต้วตอกอพี่น้องที่รักอัลกุรอานเนี่ยคือหลักสูตรหรือว่าคือคัมภีร์ที่พก่งล้อบอกให้เรารู้ว่าทําอย่างไรพระองค์ถึงจะรักเราจริงทําอย่างไรแล้วถึงจะผ่านพ้นดุนยาไปในสภาพที่พุ่งล้อรักเรา เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเมื่อพวกเราบอกว่าการงานของพวกเจ้านั้นมีหลากหลายมากมายพวกเลาไม่จำเป็นต้องมานั่งบอกว่ามีการงานอะไรบ้างพวกเราบอกเลยว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้หญิงคุณจะทําการงานตอนกลางวันคุณจะทําการงานตอนกลางคืนพวกเราบอกเลยครับว่ากลุ่มชนที่พวกเอเลารักเขา ไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าบริบทของชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรฟาอัมมามันอัตวัตตอกอวัสดะกอบิลฮุสนาพวกเราบอกง่ายๆครับว่าใครก็ตามที่ว่าเขารู้ที่จะหยิบยืน่นเรียนรู้ที่จะมอบให้กับผู้อื่นทำไมถึงมอบให้ล่ะครับถ้าเกิดเราดูครับสยากุมการงานของคนในโลกดุนญานมีการหยิบยื่นให้มากมาย หยิบยื่นอย่างหวังผลประโยชน์หยิบยื่นอย่างไม่หวังผลประโยชน์มีการให้มากมายสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีพ่อให้ลูกลูกให้แม่เพื่อนให้กันและกันเพื่อนบ้านให้กันหรือว่าองค์กรให้กับใครก็ตามการให้มีมากมายแต่พวกอว่าบอกชัดเจนว่าการให้ที่พวกอัลลอฮ์รักนั้นมีเงื่อนไขก็คือฟามามันอ้าวปวตตะโกการให้เป็นสิ่งที่ดีงาม แต่การให้ที่มันจะช่วยเหลือมุสลิมในโลกหน้าคือการให้ที่อยู่บนพื้นฐานของคําว่าตักกว่าการให้ที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเพราะเรากลัวพวงองค์ละเพราะเราหวังจากพวงอัค์ละเพราะเรารักพวงองค์ละนั่นคือการให้ที่อยู่บนพื้นฐานของคําว่าตักกว่าไม่ใช่ให้เพราะว่าเรารักเขาอย่างเดียวรักเขาอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่หลักๆก็คือเรารักพระองค์ละ รักเขานี่คือผลปรยได้เราจะรักเพื่อนบ้านอาจจะรักพี่น้องอาจจะรักคู่ครองอาจจะรักลูกหลานการให้ทุกครั้งที่พี่น้องให้เนี่ยเป็นการให้ที่ทำให้พวกอลลอรักพี่น้องกับเป็นการให้ที่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรามาลองตรวจสอบแล้วว่าที่เราหยิบอะไรก็ตามให้กับผู้อื่นเนี่ยมันอยู่ประเทศไหนเป็นการให้ที่ทำให้พวกอลลอรักเราหรือเป็นการให้ที่ทาให้พวกอลล์เฉย หรืออาจจะเกียดเราด้วยซ้ำอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าลิมเราต้องให้ความสำคัญครับฟัมามันอาตโวัตตกอไม่ใช่แค่นั้นนะวะซัตดะกอบิลฮุสนาแล้วเขานั้นก็มีความสัตว์จริงด้วยกับการทำความดีเพราะว่ามุสลิมครับคือคนที่เขาบอกว่าไงนะครับหลังจากที่เรากล่าวกาลิมาคือลาอิลลาอิลละล้อมุฮัมมัดุลลอฮเราขอยืนยันว่ามีพิชานในนกจากอัลลอ์และท่านอบมฮัมมัดลลอฮสลั ม, มนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์ นี่คือคําพูดที่ออกมาจากปากเป็นส่วนหนึ่งของ إ ي م านคําพูดที่ออกมาจากปากแต่แค่พูดใครก็พูดได้แค่พูดใครก็พูดได้พี่น้องเห็นด้วยนะครับแค่พูดไหนะใครก็พูดได้เพราะฉะนั้นประเด็นมาอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเราทําได้แค่ไหนครับผมไม่แน่ใจเหมือนกับสัญญาณจะหลุดตอนนี้สัญญาณหลุดหรือเปล่าครับพี่น้องครับ เข้าใจว่าสัญญาณโอเคอยู่นะครับผมมีชาวา้อนนะคือช่วงนี้มีมรสุมมีอะไรก็สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวคิดครับแคนเออเลมดิสเซจดิสเซจไป โอเคครับบารักลอลฟี่กลุ่มครับยังโอเคอยู่ครับเพราะว่าข้อความที่ขึ้นจะช้าเล็กน้อยนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาใ น, ในส่วนของสุระอะไรงต่อ น, นะครับผมวันนี้อาจจะมีลูกสาวเข้ามาเป็นแขกรับเชิญนะครับผมแต่ว่าเขาเขาาออกออกอ่โอเคแล้วกลับมาประเด็นครับเมื่อพวกเราไพูดถึงว่าการงานทั้งหลายของพวกเรานะี่ยมันมีความหลากหลายมันมีความมากมาย พวกเราบอกาการงานที่ทําใหพา้พวกเราเริ่มด้วยกับเขาว่าอะไรนะครับอะต่อให้แล้วมีความยําเกรงสุบาลล์ครับหล่ะตออิฟในที่นี้ถ้าพี่น้องมาสังเกตดูนะครับศา ส, สนาอิสลามคือศาสนาที่เน้นในเรื่องของความรักพี่น้องสังเกตดู จุสูงสุดของการเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่คาว่าจุดสูงสุดต้องใช้คําว่ามุสลิมที่สมบูรณ์ต้องเป็นมุสลิมที่หัวใจของเขานั้นเปลี่ยมไปด้วยความรักเราดูตัวบทคำสอนคอิสตามครับลายุินูฮาดุกุมฮัดตา ย, ปปายุฮิบบายอะคีมาอยูฮิบุยนับสีคนหนึ่งคนใดของพวกท่านจะไม่ศรัทธาสมบูรณ์จนกว่าเขารักที่ใช้พี่น้องเขาได้ในสิ่งที่เขาเองก็อยากได้เรื่องของความรักเป็นส่วนสําคัญของศาสนา ดังมีตัวบทอีกมากมายครับทั้งที่ว่าผู้ศรัทธานั้นต้องเป็นคนที่ว่าพี่น้องของเขาปลอดภัยจากทั้งลิ้นจากมือจากการกระทําของเขาแล้วยังมีคําพูดที่ระบีว่าจงให้ของขวอนกันมากๆแล้วพวกท่านจะรักกันเลยพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เป็นพื้นฐานที่ว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นต้องเป็นบุคคลที่ว่ามีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักมลายะทัมลายุทธหำใครก็ตามไม่รู้จักเมตตาเขาจะไม่ได้รับการเมตตา แล้วเรามาดูในคําสอนนี้ครับในย่ากระดาษหลังจากที่พ่อแม่บอกว่าการงานนั้นมันมีมากมายการงานของเราในที่นี้พวกล้อเริ่มด้วยกับคําว่าและใครที่เขาให้แล้วตักกว่าแล้วยําเก่งไม่ได้ใช้คาว่าแล้วใครที่ยําเกงแล้วก็ใช้จ่ายในย่านี้เริ่มด้วยกับการให้เพราะอะไรครับพี่น้องที่รักยิ่งครับ พี่น้องไม่สามารถจะรักบุคคลอื่นได้ถ้าพี่น้องไม่เรียนดูที่จะมอบให้กับเขามอบอะไรสักอย่างที่เราชอบให้กับเขาพี่น้องลองคิดดูว่าที่ผมพูดจริงหรือเปล่าอย่างเป็นไปได้ไหมที่เราจะบอกว่าเรารักลูกท า, ท, าทางที่ว่าเราไม่เคยคิดจะจะหยิบยกสิ่งดีๆอะไรให้กับลูกเลยหรือเราบอกว่าเรารักใครสักคนโดยที่ว่าเราไม่เคยหยิบยกสิ่งที่ดีให้เขาเรามีแต่ทาร้ายเขาอันนั้นไม่ใช่ความรักแน่นอน เพราะนั้นจุดเริ่มต้นของความรักเริ่มจากการที่ว่าเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เรียนรู้ที่จะเป็นมือบนซึ่งการให้ของอิสลามนะ่มากมายอย่างที่พวกเราทราบกันทั้งเรื่องของทรัพย์สินทั้งเรื่องของความช่วยเหลือทั้งเรื่องของอะไรก็ตามแต่แต่ก็คือการให้เนะี่ยมันมีเยอะและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรัก พื้นฐานมาจากความตราหนีคือถ้าเราเกลียดใครสักคนเราไม่ชอบใครสักคนเราจะไม่อยากให้อะไรเขาถูกไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมถ้าพี่น้องไม่ชอบใครสักคนพี่น้องจะไม่อยากเอาอะไรที่ดีๆหรือเอาอะไรที่เรามีให้กับเขาเพราะเราเกลียดเขาเพราะเราไม่รักเขาเพราะนั้นตรงกันข้ามกันเพราะรักใครสักคนเราก็จะมอบอะไรก็ตามที่ดีๆให้กับเขาอาจจะเป็นคําพูดที่ดี เหมือนกับที่พงแล้วกล่าวไวครับว่าคําพูดที่ดีเนี่ยมันยังดีกว่าการบริจาคที่ไปลําเลิกกันทีหลังอีกการให้ที่ไปลําเลิกกันทีหลังอย่างฝามามันอ้าต่อเรื่องไปกับคำว่าจุดเริ่มต้นของอิมานพี่น้องต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ไม่ใช่เรียนรู้ที่เป็นผู้รับอย่างเดียวเราให้ได้ในสถานลักษ์ของเราครับเราเป็นเด็กเราก็ให้ผู้ใหญ่ได้เราเป็นคู่ครองกันเราก็ให้กันได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ทรัพย์สินนะพี่น้องพี่น้องอย่าคิดว่าชีวิตมันมีแต่เรื่องของทรัพย์สินแน่นอนทรัพย์สินเป็นนนส่่วหึง ส่วนหลกักส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตดำเนินอยู่ได้แต่ชีวิตมันมีมากกว่าคำว่าทรัพย์สินยังมีการให้อีกหลายรูปแบบถ้าเรียนรู้ที่จะให้มันจะลดความตระหนี่ในใจของเราเมื่อความตระหนี่ในใจเราหายลงเราก็จะรักคนอื่นได้ง่ายขึ้นสังเกตดูคนที่ว่าชอบบริจาคคนที่ว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะเป็นคนที่ว่ารักผู้อื่น ฟะอัล ม, มามันอ้าวต่อ ว, ว ะ, ะกอู้ใดก็ตามที่เขาให้แล้วเขามีความเมีเกงต่อพวกเราอย่างที่บอกก็คือว่ามันต้องสอดค้องกันไม่ใช่ให้อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้คิดถึงพวกเราการให้ของมุสลิมนั้นต้องวางอยู่บนพื้นฐานว่าเพราะพวกเราอยากจะให้พวกเลารักเราว a s ัดตะกอบิลลุสแในที่นี้ครับที่บอกว่าว a s ัดตะกบิลุสแแล้วเขานั้นก็ได้พยายาม พิสูจน์ตัวเองออกมาด้วยความสัต์จริงด้วยกับการทำความดีก็แปลว่าทั้งการให้เนี่ยทั้งความตกวาเนี่ยเมื่อมีการให้เมื่อมีความตะว่าแล้วพฤติกรรมที่เหลือก็ต้องมีการตรวจสอบทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ก็อย่าไปล้ำเลิกเขาไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเธอเนี่ยนะที่อยู่มาจนถึงตอนนี้นะเพราะาฉันเลี้ยงดูแนละ้วถ้าฉันไม่เลี้ยงดูเธออยู่ไม่ได้หรอก การเลียงดูเดยพ่อหนาะฟก็ที่สามีให้ภรรยามันเป็นวาญิบเพราะนั้นอะไรที่เป็นวาญิบไม่มีสิทธิ์ไปไปล้ำเลิกนะครับอะไรที่มาเป็นหน้าที่แล้ไม่มีสิทธิ์ไปล้ำเลิกคนอื่นว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำอย่างนี้ฉันมิฉัอุตส่าห์ทำอย่างนี้แต่บ้านเราบางทีพอโกรธกันก็มาล้ำเลิกกันพอล้ำเลิกกันปุ๊บอีกฝ่ายก็ไม่พอใจก็ยกมาล้ำเลิกต่อก็ไม่จบสักทีเรามาดูทัศนคติวิชาการครับที่พูดในส่วนของว่า ทำไมถึงมีการเรียงลำดับอย่างนี้ทำไมถึงเรียงาำดับว่าผู้ให้แล้วก็มีความตักวาแล้วก็มีความพยายามแสดงความสัจจริงด้วยพฤติกรรมที่ดีงามเนี่ยวันละว่าลำครับนักอธิบายกุรานได้บอกว่าอายะเนี่ยมีที่มาที่ไปอยู่อายะนี้มีที่มาที่ไปที่มาที่ไปเกิดจากอะไรครับที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากว่ามีคนคนดีคนหนึ่ง ที่ว่าเขาคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจําคือเริ่มด้วยกับการหยิบยื่นให้กับความช่วยเหลือกับผู้อื่นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ใช่เข้ายุคอิสลามแล้วก็คือนี่คือเรื่องราวของซอบะคือให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นแล้วในขณะเดีวยวกันก็มีความเมต็เกีงต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความศรัทธาพิสูจน์ความศรัทธาด้วยกับพฤติกรรมที่ดีงามซึ่งนักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันบางท่านก็บอกว่าอายาี้ประทานมาให้กับท่านอบดุบักริยัลลอฮฺอันหุ นักวชาการอีกกลุมหนึ่งบอกว่าอาญานี้น่าจะประทานมาให้กับท่านอาลีรอยัลลอฮ์อันหูมากกว่าซึ่งทั้งท่านอบูุลบาคแล้วก็ท่านอาลีก็ต่างเป็นคาลิฟ้าที่มุสลิมเรารักกันทั้งสิ้นเป็นคนดีทั้งสิ้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งสิ้นแล้วก็เป็นผู้ที่รักผู้อื่นทั้งสิ้นเพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับอย่างน้อยที่สุดในที่เนี่ยไม่ว่าคนทั้งโลกจะเป็นยังไง ไม่ว่าสังคมจะเลวร้ายจะฟอนเฟิแค่ไหนเราพยายามอย่าไปเอาความชั่วร้ายของคนอื่นมาเป็นเหตุผลให้เราชั่วร้ายไปด้วยอันนี้เปเรื่องที่ผมขอเตือนพี่น้องที่ผมรักทุกท่านรวมทั้งเตือนผมเองด้วยอย่าเอาความไม่ดีไม่งามอย่าเอาความชั่วร้ายของคนอื่นมาเป็นเหตุให้เราชั่วร้าด้วยเพราะบางทีเราจะบอกใลยสังคมเราเนี่ยไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการหยิบยืน่นหรือเราหยิบยื่นให้ก็มีแต่คนด่าว่ามีแต่คน มาคอยหักหลังมีแต่คนทิมแทงมันจริงครับที่ว่าบางหลายๆครั้งอะนะไม่ใช่บางครั้งนะหลายหลายครั้งที่วาถ้าเกิดเราทำดีกับใครสักคนแล้วเราถูกตอบกลับด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีอาจจะถูกด่าว่าถูกเขามองไม่เห็นคุณค่าถูกเขาทำร้ายอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำลายกำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับแต่พี่น้องที่รักยิงครับ ในการที่เราให้เนี่ยพวกเราบอกไงนะครับความมันความมันมันอาร์ต่อวตัตตะกอผู้ที่ให้แล้วมีความยำเกรงต่อหรอถ้าการที่เราให้การที่เราให้ความช่วยเหลือแล้วผูกพันอยู่กับการหวังความเมตตาจากพกระวรรล์ผูกพันอยู่กับคําว่าทักว่าพี่น้องที่รักยิ่งครับเราจะมีกําลังใจแล้วเราจะไม่แครคน เหมือนกับข้อล่ากล่าวในกุรานว่าไงครับอินน um ah um um ามานุตอยมุคุมเลวัชฮิลละลาโนรีดูบินคุมจัจเจอุลาชกูรออินนาหนาฟูเมรอบบินายาวมาอาบูซันกอมกอรีรอกอมตอรีรอข้อลรากล่าในกุรานครับคือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเมื่อถึงเวลาที่เขาให้ความช่วยเหลือคนอื่นเขาให้อาหารกับผู้อื่นเขาจะบอกว่าอินนามานุตอยมุคุมเลวัชฮิลละการช่วยเหลือนี้อาหารนี้ที่ฉันให้กับเธอเนะี um ah ่ยนุตัยมุคุมเลวัชฮิลละฉันให้เนะี่ย เพราะฉันหวังความเมตตาความรักจากอัลละฮฺและนูริดูมินกุมจะะอเวลาชุกูรอฉันไม่ได้หวังว่าพวกเธอจะต้องมาตอบแทนฉันแล้วไม่อยู่หวังแม้แต่กระทั่งคำขอบคุณไม่ต้องขอบคุณก็ได้ฉันก็จะทำของฉันนี่แหละเพราะหน้าที่ของฉันคือทำหน้าที่ของเธอก็คือทำพวกเรากล่วกาวว่าไงครับพวกจงกล่าวเถิดมัมัดบอกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจงทาของพวกเจ้าเถิดฉันก็จะทาของฉัน และพี่น้องที่รักยิ่งครับอย่าเอาคนอื่นอย่าเอาคู่กรณีอย่าเอาใครก็ตามที่เราไม่ชอบมาเป็นเหตุผลที่ทําให้เรานั้นต้องทําพฤติกรรมที่สดถอยหรือว่ตกต่ำ <c oughs> บางคนบอกก็เขาด่ามาฉันก็ด่าไปเขาตั้งฉายามาฉันก็ตั้งฉายาไปมันไม่ใช่คําสอนอิสลามครับมันไม่ใช่คําสอนของอิสลามใครก็ตามที่อ้างว่าเขาตามนบีตามอัลลอฮ์และตามรอซูล ศึกษาให้ดีว่าตกลงคําสอนของทนะ่านนบีเนี่ยเมื่อมีคนด่ามาต้องด่ากอบด่าตอบใช่ไหมเมื่อมีคน ต, ต, ตั้งฉายามาต้องตั้งฉายาตอบใช่ไหมเมืม่อทำงานศาสนาแล้วต้องแรงอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเราจะพบว่ามันไม่ใช่นะพี่น้องยกมาสักอายะที่ยกมาสักฮาริซักบทสีแล้วชอบบอกว่าตามกุรอานตามฮาริซใช่ไหมยกกุรอานยกฮาริซมา ส, า ส, มสีที่บอกว่าสั่งใช้ว่าเราต้องมีมารยาทที่กักกะกับคนที่มารยาทไม่ดีกับเราเมื่อก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นย้ํานะ สำหรับตัวผมเองแล้วก็จับกับพี่น้องที่ผมรักทุกท่านอย่าให้ความไม่ดีหรือความเวลวร้ายของคนในสังคมหรือของคนใกล้ตัวหรือของคนที่เราเกลียดชังบางทีอาจเป็นคู่ครองเราหรือใครก็ตามมาเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องตกต่ำกับเขาไปด้วยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถึงเวลาเรานี่แหละจะเสียใจเพราะถึงเวลาครับ เนโอดูบินแลมินซาลิกผมขอด้จากพกรอเลาให้พวกเราแล้วก็พี่น้องที่ผมรักทุกท่านรอดพ้นจากการลังเลของพวกเราในไฟนรกแต่ถึงเวลาเมื่อชาวนรกลงไปในไฟนรกเรียบร้อยแล้วพวกเขาจะได้เจออิบลิสครับต้นตอของความชั่วร้ายทั้งหลาย แล้วเขาก็จะบอกกับพวกอลอสก็จะด่าว่าอิบริสบอกเนี่ยเจ้าเป็นต้นเหตุเนี่ยเจ้าทำให้พวกเราต้องตกตามเจ้าทําให้พวกเราเราเนี่ยทำชีวิตเจ้าทำให้พวกเราทําสิ่งที่ชั่วร้ายทําเรื่องของบิดาทาเรื่องของบาปใหญ่ทําอะไรก็ตามแต่ด่าว่ากันนินทากันใส่ร้ายกันอิบลิสจะบอกว่าไงครับอย่าได้โทษฉันโทษตัวของพวกเจ้าเองเถิดฟาลาตัลูมุนี่อย่าได้โทษตัวของฉันเลยโทษตัวของพวกเจ้ามาอนาบิมุสตีคือกุมารมณฑลบิมุสตี้ี่ ฉันก็ไม่ได้ไปบังคับเย็ดเยียดอะไรให้พวกเธอเธอก็ไม่เลยมาบังคับย็ดเยดอะไรกับพวกฉันถึงเวลาพูดอย่างนี้มันเจ็บใจไหมล่ะครับอย่างใ น, นปัจจุบันเนี่ยเราชอบเอาเป็นข้ออ้างเวลาที่ใครทําไม่ดีกับเราเราต้องตอบโต้ด้วยกับความชั่วร้ายเท่านั้นถึงเวลาพี่น้องจะเสียใจครับพูดตรงๆครับถึงเวลาพวกเรานี่แหละที่จะเสียใจถ้าเกิดเราเลือกหนทางที่ทําให้พวกเราล้อกอเกิโยเพราะนั้นครับฝา ม, มามันอาตวะตะวัตสตตะกอ บ, บิลฮุสนาฮุสนาเนี่ยนี้อีกความหมายหนึ่งนะครับ อยายะกร้านี้แปลได้เช่นเดียวกันว่าและผู้ที่เชื่อมั่นกับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามก็คือคําสอนอัลอิสลามแล้วก็ครอบคลุมไปถึงสวรรค์ผู้ที่เชื่อมั่นว่ามีสวรรค์มีการตอบแทนแล้วก็ทําหน้าที่ของเราดีที่สุดก็ขอนะนำให้โดยเฉพาะในเรื่องของคู่ครองนะครับในเรื่องของสามีภรรยายิ่งอยู่กันไปนานๆบางทีมันมีเรื่องกระทบกระทั่งมันเป็นเรื่องปกติมีการทุกคู่ครับพี่น้องแต่ว่าบางทีพออยู่กันไปเกินสิปี11ดปีสิบสองปีบางทีมันก็เริ่มเหมือนกับว่า อยากจะด่าว่ากันมากขึ้นอยากจะทําลายลงมือลงไม้กันมากขึ้นบางทีก็คือฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอา้าวฝ่ายนั้นลงมือลงไม้ฉันก่อนฉันก็ขอลงมือลงไม้กับเขาบ้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผลสุดท้ายครับอย่าลืมว่าเขาถูกสอบสวนในส่วนของเขาเราถูกสอบสวนในส่วนของเราถ้าเขาทําอามานะผิดพลาดเขาไม่มีความรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่เขาต้องตอบกับพระองค์ละและถ้าเราทําอามานะ บกพ้องเราก็จะถูกสอบสวนในส่วนของเราถึงเวลาพวกเราไม่บอกเราว่าอ้าวคนนั้นก็ไม่ทํานั้นเธอไม่ไปทํานั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเจ้ากันไม่ใช่ครับใครทําดีเขาได้ดีใครทําสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ต้องแบบรับมันไปนี่คือสิ่งที่ว่าอยากจะขอเตือนพี่น้องที่ผมรักทุกท่านนะครับผมครับขอมาทักพี่น้องนะครับผมผมคุยแล้วไม่ได้ทักเลยนะครับผมมีพี่น้องเทศสละมาก็วายอลิกุมสละมตุตุเลอบาบาร์กาตัวนะครับพี่ชายที่รักของผมนะครับก็ บอกว่าคิดถึงแะคิดถึงเช่นเดียวคิดถึงทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อคุณอาที่ผมเคารพรักนะครับผมคุณอาประเสริฐออกออกนามได้หรือเปล่าเนี่ยครับสลามมาก็วายลิกุมิสลารมตัวล้อบวรกาตัวแล้วก็หลายหลายท่านนะครับผมที่สลามมาก็บาเราก็รอฟีกลุมคอร์ล้อแต่เพนทุกเรื่อความดีครับก็หวังว่าขอโดยจากพวกอล้อนะครับให้กุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราชื่นตาชื่นใจถ้าเกิดพี่น้องรู้สึกครับอกครับใจรู้สึกเครียดรู้สึกว่าใจหยาบกระด้าง อ่านอัลกุรอานครับอ่านอัลกุรอานโดยหวังความเมตตาจากพว้อัลลอฮ์แล้วก็อินชามเราเราจะรู้สึกหัวใจสงบขึ้นอลาบิดิกลินลาฮิตต์มัยนุบุูผู้อัลลอฮ์ก ล, ล่ า, าว allah, ว่าไม่ใช่หรือที่การลึกลึกถึงพว้อัลลอฮ์นั้นทําให้หัวใจสงบแล้วพว้อัลก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าแล้วเราได้ทําให้ในอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเยียวยารักษาสําหรับผู้ที่ศรัทธาเพรา ะ, ะนั้นถ้าเกิดเราศรัทธาต่อพว้อัลลอฮ์ถ้าเราเกิดรู้สึกว่ามีปัญหาท่านรู้สึกว่า จริงๆแล้วมุสลิมเราแทบไม่ต้องการโคสเลยครับจริงๆนะมุสลิมเราไม่ต้องการโคสเลยเพราะเรามีโคส้สที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็คือท่านอับดุมฮัมมัดสุลต่านของอัลลอฮแล้วเราก็มีคู่มือที่ดีที่สุดแล้วก็คืออัลกุรอานถ้าเราให้ความสําคัญกับอัลกุรอานให้ความสําคัญกับพารีสดุนยาเราจะเห็นภาพที่แท้จริงของดุนยาเห็นภาพที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วดุนยามันเป็นอย่างไรแล้วะเห็นภาพที่ชัดเจนของตัวของเราเห็นภาพที่ชัดเจนของศัตรูของเราว่าใครคือศัตรูที่แท้จริงแล้วะเห็นภาพชัดเจนของ บุคคลที่เราควรจะรักเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อถึงเวลาจะต้องไปอยู่ต่อหน้าพว้อัลลอฮ์แล้วพวกนั้นจะเป็นผู้สอบสวนแล้วก็ตอบแทนพวกเราทุกคนเองครับอกูกาลีฮาวซลลฮีวลกุมวลิิลมุสลิมีนมิุลกฟลูอินะฮุลกฟูอลมซุบฮานะกัลลอฮิฮัมดิกชลุวัลลาอิลานตอัสกวิกวะตวลัยสลาุลัยุมวรห์อลลอฮ์วะบารักะตูฮ